26การเจริญวิปัสนาจนเห็นนิพพานวิปัสนาเป็นการเห็นอย่างวิเศษอย่างยอดเยี่ยมคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองถ้าเห็นรูปนามอย่างเดียวไม่ใช่เห็นยอดเยี่ยมยังไม่วิเศษเท่าไหร่รูปนามมันเริ่มกระจายตัวออกตั้งแต่ทันทีที่เรามีสติเมื่อสติตัวจริงเกิดก็จะเห็นเลยว่ารูปส่วนรูปนามส่วนนามตรงนี้เรียกนามรูปปริเฉทยานยังไม่ขึ้นวิปัสนาวิปัสนาขึ้นในอุทธายพย า, ยาน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 แต่ในอภิธรรมก็ถือว่ามีปัญญาแล้วแยกรูปแยกนามได้แต่ปัญญาในแง่ของนักปฏิบัติจริงๆมันต้องเห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นปัญญาก่อนหน้านั้นก็อนุโลมว่าปัญญาพูดเอาใจกันนะที่จริงมันรู้ตัวซื่อบื้อนะมันรู้ตัวขึ้นมาเฉยๆแต่มันไม่เดินปัญญามีแต่รู้เฉยๆเจ้าๆอยู่อย่างนั้นแหละไม่หลงแต่ถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นกุศลเหมือนกันแต่ไม่ฉลาดฉลาดนิดหน่อยถ้าพูดเอาใจนะฉลาดนิดหน่อย แต่จิตอีกดวงหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ถึงจะมีปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิบัติทำสติปัฏฐานจึงมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดสติขั้นที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาสองอันนี้ต่างกันการที่จะทําให้เกิดสติให้ตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้หมดเลยนะท่านจึงใช้คําว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกาย เวทนานุปัสนาการตามเห็นเวทนาจิ ต, ตานุปัสนาการตามเห็นจิตเป็นการตามทั้งหมดเลยพอตามไปตามไปถามว่าตามไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตจําสภาวะได้ตามรู้ทุกวันนะเช่นร่างกายมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ใจลอยไปคอยรู้สึกเอาไว้รู้สึกเรื่อยๆไม่เผลอไปในที่สุดพอ ร, ร่างกายขยับปับ๊บความรู้สึกตัวก็เกิด น, นี่แค่นี้ให้มีสติ ถ้าหัดรู้สภาวะทางใจหัดหายใจไปหัดพูดโทไปหรือหัดดูท้องพองยุบไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่หัดรู้สภาวะพอเราหัดรู้สภาวะตามรู้กายตามรู้ใจมากๆแล้วจําสภาวะได้แม่นขึ้นมาจิตมันจําได้แม่นสติจะเกิดเองเช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นอย่างไรแอบไปคิดเป็นอย่างไร พอใจมันไหลไปคิดแวบสติเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าเผลอไปแล้วนี่สติจริงๆคือความระลึกได้ไม่ใช่กาหนดนะสติกาหนดนี่ของปลอมเลยมันเป็นสมถารล้วนๆเลยฉะนั้นสติคือความระลึกได้ระลึกได้เพราะจําได้จําได้เพราะเห็นบ่อย ฉะนั้นสติปัฏฐานในเบื้องต้นก็คือตามเห็นบ่อยๆเพื่อจะได้จำได้เป็นการตามเห็นทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอถึงขั้นที่สองในขั้นเจริญปัญญานี่เวลารู้รูปรู้ลงปัจจุบันไม่ใช่ตามรู้แล้วรู้ลงปัจจุบันแต่การตามรู้นามยังเป็นการตามเห็นอย่างเดิมไม่เหมือนกันฉะนั้นขั้นที่สองนี่จะต่างกันระหว่างการรู้รูปกับรู้นามรูปรู้ลงปัจจุบันทาไมรูปรู้ลงปัจจุบันได้ พ่อรูปอายุยืนแต่นามนี้อายุสั้นฉะนั้นรู้นามรู้ปัจจุบันไม่ได้นามเกิดชั่วขณะจิตเท่านั้นเองขณะจิตต่อหน้าต่อตา น, นี้เกิดขึ้นแวบหนึ่งก็ดับไปแล้วฉะนั้นมันจะเป็นการรู้ตามหลังไปตลอดสองขั้นนี้ไม่เหมือนกันนะแต่ขั้นแรกเหมือนกันท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสนาการตามเห็นกายเป็นการตามพอตามมากๆเข้าสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดจริงๆแล้ว ไม่มีสายกายสายจิตแล้วบางครั้งสติระลึกรู้กายลงเป็นปัจจุบันบางครั้งสติตามรู้จิตที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆอนเมื่อรู้มากๆเข้าปัญญาก็สะสมแต่เดิมรู้แล้วมันฝืนความรู้สึกรู้แรกๆมันจะฝืนความรู้สึกนะรู้สึกใจหายรู้สึกน่ากลัวเหลือเกินตัวเราหายไปไหนพอเห็นแล้วขันห้ากระจายไปขันห้ากเกิดดับไปเรื่อย ตัวเราไม่มีชักตกใจบางคนตกอกตกใจเพราะว่ามันฝืนความรู้สึกตรงนี้ก็เป็นยานที่ขยบขยบขึ้นมาตั้งแต่นิพิทายานพยตูปัตฐานยานอาทีนวายานในกลุ่มนี้เป็นยานซึ่งใจยังไม่ยอมรับไตรลักษ์แท้เห็นไตรลักษ์แต่สยองฉะนั้นหลายคนภาวนามาถึงตรงนี้โอ้แย่ละหรือไม่อย่างนั้นก็เบื่อไปหมดเลยเบื่อสุขเบื่อทุกเบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อละเอียดเบื่อหยาบ เบื่อภายในภายนอกเบื่อเสมอกันหมดเลยอะไรอะไรก็น่าเบื่อทั้งหมดเลยไม่เบื่ออันเดียวคือไม่เบื่อความเบือ่อถ้าสติปัญญาไม่ท้อถอยตามรู้ตามดูต่อไปอีกวันหนึ่งค่อยฉลาดขึ้นมาความรู้สึกแปลกปลอมทั้งหลายก็ยังเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมใจก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคราวนี้รู้รูป ร, รู้นามที่แสดงไตรลักษณ์ด้วยความเป็นกลางตัวนี้ตัวที่จะแตกหักละพอมันรู้อย่างเป็นกลางมากๆเข้านะปัญญาแก่รอบจริงๆ จะรวมเข้าอั ป, ปนาสมาธิเสร็จแล้วยังเห็นรูปนามเกิดดับอีกสองขณะบ้างสามขณะบ้างแต่เป็นการเห็นแบบมีอนุโลมยานใจคล้อยตามสัจจะใจไม่ฝืนความจริงแล้วแต่เดิมนี่ที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจจะฝืนความจริงตลอดเลยของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้สุขของบังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้พวกเราภาวนาถ้าเป็นแทบตายรู้สึกไหม อยากให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นความอยากที่ฝืนความจริงนะเพราะว่าผิดหลายตัวเลยอยากมันก็ไม่ได้แล้วอยากมันก็ทุกข์แล้วเราก็ไม่มีแต่อยากให้บรรลุมันมีความอยากที่ไร้เดียงสาอยู่แต่ตรงที่จิตถึงสัจจานุโล ม, มิกรารันหรืออนุโลมายานคล้อยตามความจริงแล้วตรงนี้มีสามขณะถ้าเต็มรูปมีบริกรรมมีอุปจาระมีอนุโลมอนุโลมตัวสุดท้ายเป็นตัวตัด ตัดกระแสการรู้อารมณ์รูปนามฉะนั้นเวลาที่ติดรวมเข้าไปจิตเป็นกลางๆงไปถึงขีดสุดแล้วปัญญาพอแล้วมันเข้าอัปนาสมาธิแล้วจะเห็นสภาวะเกิดดับสองขณะบ้างสามขณะบ้างขณะที่สองหรือขณะที่สามเป็นตัวสุดท้ายนี่มันจะตัดตัดการรู้รูปนามตัดอารมณ์ของฝ่ายโลกิยะเสร็จแล้วมันจะทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้ ตัวนี้เองที่ว่าเราจะต้องฝึกจิตของเราจะต้องฝึกจนมันตั้งมั่นนะมีเอโกที่ภาวะอยู่มีความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นพอมันวางอารมณ์รูปนามนี้ปุ๊บมันจะหนีไปหาอารมณ์บัญญัติแทนฉะนั้นใจเราต้องฝึกจนมันมีเอโกที่ภาวะพอมันรู้จนไม่รู้จะรู้อะไรมันจะทวนกระแสะเข้าหาธาตุรู้อัตโนมัติเพราะถ้าเจือด้วยความจงใจแม้แต่นิดเดียวมักผลจะเกิดไม่ได้ฉะนั้นที่เราหัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ ความรู้สึกตัวจะเด่นขึ้นมาพอใจไม่หลงไปสู่อารมณ์อื่นแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามาหาตัวรู้อัตโนมัติฉะนั้นต้องหัดมากๆถ้าหัดไม่พอพอมันวางอารมณ์นี้ปุ๊บมันจะคว้าอารมณ์อื่นต่อมันจะไม่ทวนเข้าห า, าธาตุรู้ตรงที่มันดับกระแสของโลกิยาลงไปอันุโลมยานดับกระแสของโลกิยะลงไปแล้วมันจะทวนเข้าห า, าธาตุรู้เองไม่จับโลกิยะแต่ยังไม่เข้าถึงโลกุตระเป็นโคตรพูญาน มีจิตทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ดวงหนึ่งพอทวนเข้าถึงอริยมรรคตัวมรรคนี้เป็นชาตะกุศลอีกนะแต่ตัวผลเป็นชาตะวิบากเป็นตัววิบากเป็นผลพอมันทวนกระแสเข้าถึงธาตุรู้อริยมรรคมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่จะแหวกแวับออกไปจิตใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มจะเป็นอิสระขึ้นมาชั่วคราวสองสามขณะความไม่มีอะไรมีแต่สุขล้วนๆเลย แต่พอเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งยังจำไม่ได้นะจำไม่แม่นหรอกเห็นสี่ครั้งแล้วมันจะมีปัจเจเวกะทวนไปถึงนิพพานตอนครั้งที่หนึ่งสองสานี่ปัจเจเวกะมันไม่ไปดูนิพพานมันจะไปดูกิเลสกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลือมันยังมีงานต้องทำตัวสุดท้ายไม่มีงานทำมันจะไปดูนิพพาน